เมื่อก่อนหลวงพ่อก็อยู่กรุงเทพนะเกิดในกรุงเทพโตในกรุงเทพทำงานอยู่ในกรุงเทพชอบหน้าหนาวตอนหลังมาบวชกลายเป็นคนบ้านนอกไม่ชอบของหน้าหนาวกรุงเทพมันร้อนนะมาอยู่บ้านนอกยังเย็นกว่ากันเยอะ แล้วหลวงพ่ออยู่ในด่งต้นไม้นะฮะกุฏิขลงพ่ออยู่ทึบเลยเหมือนอยู่ป่าเย็นหน้าหนาวกับคนบ้านนอกนะไม่ไม่ดีหลายเรื่องฝุ่นก็เยอะแล้วก็เผาป่ากันมีกลิ่นควันไฟอวนทั้งวันทั้งคืน พวกสัตว์ก็น่าสกสารสัตว์อยู่ในป่าในเขามันเผากันรู้จะหนีไปไหนในวัดเนี่ยเลยประชากรสัตว์นานาชนิดเนะยอะแ ย, ยะเลยมีตอนนี้มีตัวนางอายรู้จักไหมหนางอายนางยุคนี่ไม่ค่อยอายแล้วเหลือแต่ตัวนางอาย <c oughs> ตัวอีเห็นตัวนางไงหนีเข้ า, าอยู่ในวัดสงสารมันมนุษย์มันเยอะเกินไปต้องโทษหมอเราเก่งเกินไปมนุษย์ก็เลยเหลือเยอะทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกเปลี่ยนเปลี่นมากนะทำลายป่าทำลายแหล่งน้ำสัตว์ก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีอาหาร เจนอะาผมก็เป็นคนเมืองชนนะบอกเมกื่อก่อนแถวบ้านเขานะอยู่ในเมืองนะเมืองชนนะมีข้างข่าวแม่ไก่เยอะแยๆเลยเดี๋ยวนี้เหลือแต่ข้างข่าวตัวเล็กๆข้างข่าวกินมแมลงนะข้างขาวแม่ไก่กินผลไม้มันไม่มีอะไรจะกินแนละ้วมันก็สูญพันธุ์ไปหมดคนนะทําลายทุกสิ่งทุกอย่าง แย่งกันบริโภคก็เลยพยายามหาไรายได้ทุกวิธีทางอย่างชาวบ้านนะถึงปีก็ต้องเผาป่าที่ไปห้ามไม่มีทา ง, อองแอบเผาถามว่าทาไมไปเผามันไม่ใช่แค่เผาไร่นะเผาทุ่งเผาอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เพื่อความสะดวกในการทำปลูกพืชในรุ่นต่อไป พวกที่เผาป่าเนี่ยเจตนาพวกเห็ดมันจะได้ขึ้นเผาป่าเสร็จแล้วพอฝนตกพวกเห็ดจะขึ้นมาเยอะๆเลยได้เก็บ่แรกก็ทุกอย่างนะสัตว์สัร่วมตายเขาต้องการเห็ดคนไม่ได้ต้องการแค่ผากินใดีนี้ต้องการมากๆจะได้ไปขาย มีเงินไปซื้อมือถือมาเล่นอินเทอร์เนต็ตนะเดี๋ยวนี้ไปไหนๆชาวบ้านก็เล่นเนต็ตนะหนพ่อเห็นบางทีขีรสสาเล็งเก็บของนะก็ยังดูอยู่เรื่อยๆนะเล่นหลายไปด้วยทังไงไม่รู้เราถูกหลอกให้บริโภคมากๆก็เลยอยู่มา ก, มา ก, มากทำลายมากใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ลุนลูกรุนหลานเราจะ อ, อยู่าากนันยังไงนึกไม่ออกเลยลำบากทางที่ดีนะรีบภาวนาอย่าอยู่ในโลกมนุษย์นี่ต่อไปเลยไม่ได้บอกให้ตายนะหมายถึงว่า ก, กลับมาเกิดแถวนี้อีกเลยโลกคนมันเยอะเกินไปแล้วศีลธรรมมันก็หายไปโกงได้ก็โกงไว้ก่อนเผยแพร่ รับที่อะไรที่เพียนเพียนเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีนะสอนกันนะว่าเขารับชันก็ได้ถ้ามีผลงานอย่างเงี้ยคือแย้แย้ไม่ออกแล้วผิดชอบช่วดีคนเราลงเป็นมิจฉาทิฏฐนะิอยู่ด้วยไม่มีทางร่มเย็นหรอกที่เราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้แก้ที่ตัวเราเอง ฝึกจิตฝึกใจไว้วนให้พระอง์ใจมันเข้าใจโลกอะโลกมันเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยมันมีเหตุทั้งหมดมันไม่ใช่เกิดมาลอยๆยทำไมเราต้องมาเกิดลุกนี้ก็มีเหตุคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่หลวงพ่อรู้ตัวว่าเราใช่เกิดมาภาวนา ครูบาอาจารย์เราอยู่ในยุคนี้เราก็มาตามมาเจอครูบาอาจารย์นุ่นหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมตามหามบัวอะไรพวกนี้ในท่ามกลางความย่ำแย่นะสิ่งที่ดีมันยังมีอยู่ก็คือตัวธรรมะนั่นเองยุคนี้ธรรมะยังดำรงอยู่ มันก็อยู่ที่พวกเราแหละเรามีอิสระภาพจะเลือกของดีหรือจะเลือกของไม่ดีให้ตัวเองเลือกของดีก็ลงมือศึกษาปฏิบัติธรรมไปมันก็จะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดลอ้อมที่เบียดเบียนได้เพราะมันเห็นแค่ตัวหรือเราจะเลือกสิ่งชั่วรือชั่วไปเราด้วยยั่งชิงกับเขาด้วย เกิดมามีบุญนะฉลาดก็เอาความฉลาดไปเอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็เลือกได้นะเราจะใช้สติปัญญาของเราพ้นทุกไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นนะไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมหรือเราจะเปลเบียดเบียนเราเลือกได้ถ้าเรามองการไกลเราก็ทุกทั้งนั้นเลย ใครมีลูกบ้างอันนี้ยกมือซีใน น, นี้มีใครมีลูกบ้างใครมีลูกสองคนยกสองมอือเห็นไห ม, <c oughs> น, ม น, นี่มีคนหนึ่งชูอย่างงี้นะทไมต้องกลางมีสิทธิ์นะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มีสอง <c oughs> <c oughs> มีลูกก็ทุก์นะเป็นห่วงะจะอยู่กันยังไงต่อไปข้างหน้าโรคภัยใครเจ็บก็ร้ายแดง ทำไมโครคภัยไข้เจ็บมันร้ายแรงรุนแรงคนมันเยอะคนมันเยอะธรรมชาติก็พยายามปรับสมดุลจละลดจำนวนคนลงสะบ้างสำหรับหลวงพ่อหลวงพ่อเลือกแล้วเลือกทางเดินของตัวเองแล้วเราไม่อยู่กับโลกนี้ต่อไปนี่เราภาวนา ลมนี่มันทุกออยู่กับมันเพลิดเพลินกับมันมเห็นจะมีอะไรเลยหากระดาษสักแผ่นหนึ่งนะแล้วคอยติ๊กไว้วันนี้กลุ้มใจกี่ครั้งแล้ววันนี้กลุ้มใจได้กี่ครั้งแล้วกลุ้มใจได้เยอะแยะนะเช่นจะตื่นนอนมาวัดทันไหมบางคนก็ตั้งนาฬิกาปลุกนะ ลกลัวนาฬิกาไม่ปลุกไลยต้องตื่นมาปลุกนาฬิกานะหลวงพ่อตะกอดเนี้ยเป็นท่านเป็นโยมมันนะตั้งนาฬิกาไว้กลัวมันไม่ร้องนะคอยตื่นมาดูเรื่อยๆว่ า, ากี่โมงนะแค่นี้ก็เครียดแล้วนะเข้าห้องน้ําจะรีบเดินทางมันไม่ยาอมอื้อจะไปทํางานแล้วยังไม่ยอมอือเลย รถจะติดใช่ไหมไปปวดท้องกลางทางจะทำาไงนี่เขาเครียดละรถมันติดถึงที่ทำงานทันไหมนี่ก็เครียดอีกมีงานเยอะแยะเลยก็เครียดอีกสารพัความเครียดในชีวิตเรานี่พวกเรามันลืม พอเราผ่านจุดที่เครียดแล้วเราก็ลืมมันไปเลยนะเราสะลุยเครียดต่อไปข้างหน้าเราไม่จาความทุกข์ที่ผ่านมาเราลืมความทุกข์แล้วเราก็อยากลืมนะที่เราลืมได้ง่ายเมือเราอยากลืมไม่อยากจำนี่เราลองหากระดาษมาสบายนะ้องติ๊กๆ๊กไปเลยอนะย่าใช้มือถือนะ มือถือมันคงไม่นั่งติ๊กอั่าเดียวมันคงเล่นอย่างอื่นไปด้วย อ, อ่านมือถือเครียดไหยอ่านที่เขียนกันนะ่ะบางทีเราไปโพสอะไรไปไนะเราต้องคอยดูว่าจะมีคนมาด่าหรือเปล่านะมีคนมาชมไหมบางที่คนอื่นก็โพสเราก็ต้องคอยไปชมนะเผื่อเราโพสอะไรเขาจะได้ชมของเราบ้างมีพันธมิตร นี่ก็เครียดนะคนกดไลค์กดแชร์น้อยยังเครียดเลยถ้าจะแย่แล้วช่วงนี้ไม่มีใครอยากคบ ว, วันๆนเต็มไปด้วยเรื่องเครียดลองวัดใจตัวเองดูนะสารวจไปเลยจะไปกินข้าวนะยังเครียดได้เลยทำยังไงจวได้เข้าแถวก่อนอยวได้เสร็จก่อนจวได้ไปเข้าห้องน้ำก่อน่นะได้เข้ามานั่งในศาลาก่อน ทุกอย่างมันเครียดไปหมดหลังกินข้าวพื้นที่ในสารามจะเหลือมากขึ้นตรงที่วางถาดเนี่ยเสียบเข้ามาได้อีกยี่สิบกว่าคนสามสิบคนอยากเข้ามาก็าเครียดจะได้ไม่ได้สำรวจใจเราแล้วเราจะรู้เลยว่าความทุกเนี่ยเกิดมันทียิบเลยมันเกิดขึ้นทียิบเลยมากกว่าที่เราคิด เถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอโลกนี้น่าเบื่อหนชีวิตนี้ไม่ได้ว่ามีอะไรวิเศษวิสนักหนาหรอกมีแต่ทุกข์สารพัดทุกข์เลยใส่หน้ากากานี้อึดอัดไหมถ้าไม่ใส่ก็กลุ่มใจอีกเดี๋ยวใครมันมาอายใส่เราถ้าเราอายใส่เขาไม่เป็นไร คำว่ <laughs> าไาายใส่เราเนี่ยโอ้กลุ้มใจโอ้โหเลยก็ทุกข์อีกรวมความรักสารพัทุกข์นะชีวิตนี้ทำมาหากินก็ทุกข์ไม่เหมือนคนโบราณทำมาหากินอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็ทำไปชั่วลูกชั่วหลานเลยเด็กนี้ไม่ได้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว หากินอยู่ทีๆอย่างนี้อย่างนาง่งเจ๊งไปแล้วนะอีกช่วงหนึ่งอยู่ที่ๆก็อ้วฟุมฟ่มฝูขึ้นไปอีกแล้วอย่างก่อนหน้านี้ยกิจการกระดาษขายดีนะคนใช้กระดาษเยอะพิมพ์หนังสือหนังสือเต็มแผงเลยเดี๋ยวนี้แผงหนังสือแทบจะไม่มีเหลืออยู่ไม่กี่เล่มแล้วเมื่อก่อนเขใช้กระดาษกันเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้ผ่านมาช่วงหนึ่งนะ ไม่ค่อยใช้กระดาษกันพวกปลูกต้นไม้ไม่ทํากระดาษพวกโรงงานกระดาษนั่นก็ลาบากมายุคนี้หลนอารงณ์ไม่ใช้พลาสติกแล้วพวกกระดาษก็เริ่มไขดีพวกพลาสติกก็ลาบากอีกแล้วมันไม่แน่นอนเลยนะมันไอ้ชีจะทํามาหากินอะไรแล้วก็อยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานนะเลิกพูดได้ละมันอยู่ถ้าจะอยู่รายวันละ การที่ชีวิตเราไม่แน่นอนรายวันเนี่ยมีความสุขหรือความทุกข์มันทุกข์เห็นเห็นอยู่แล้วไม่ต้องโบยยกมือเลยนะเห็นเห็นอยู่แล้วมันทุกข์ทรรมากินลำบากโรคไั่ไข้เจ็บก็มาแปลกๆ ล, ลำบากนี่ดีนะสาธารณสุขไทยเก่งมากนะประเทศอื่นระบาดกระจายพป หลายๆพื้นที่ในลอกตอนนี้ไอ้อะไรโควิดหนะึ่งเก้าติดไปเกือบแปดหมืนแล้วในเมืองไทยมีสามสิบสามแค่สามสบสามฝรั่งมันก็อิจฉานะหาว่าเราปิดบังถ้ามันเยอะจริงๆมันนั่งหน้าสลอนอย่างนี้ไม่ได้หรอก แต่อย่าประมาณนะมามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ป้องกันตัวไว้ก็ดีละสรุปก็คือชีวิตคนรุ่นเรานี่เครียดเยอะคนโบราณไม่ได้เครียดถี่จิบขนาดนี้ยปีนี้ปลูกข้าวได้สำเร็จกนะ็มีความสุขละข้าวปลามีข้าวจินนะ ไปจับปลาจับอะไรปลูกผักอะไรอยู่ได้ลนะวเก็บอะไรต่ออะไรกินบางทีไม่ต้องปลูกเท่เดินเก็บมาอย่างในวัดหลวงพ่อเนี่ยถ้าคนน้อยๆนะเดินเก็บอะไรกินได้นะมีของให้กินในวัดเนียอะแย ๆ, ๆเลยเช่นไก่ป่าตัวตะกวดตัวแลนกินได้ทั้งนั้นเนี่ยออื มีอาหารสำรองเยอะเลยในเนี้ยแมงกุฎจียังมีเลยอิสารพัดพ อ, อบ้านเมืองมันเปลี่ยนคนระัในกรุงเทพเนี่ยไ่เดินหาอะไรกินไม่มีก็ต้องเดินเข้าเซเวน่นไ่เดินที่ไหนไม่มีอะไรให้กินไม่มีเงินสักอย่างเดียวนะอยู่ไม่ได้เลยชีวิตคนในเมืองนะ่ะ ชีวิตคนชนบทรุ่นเก่าๆเนะี่ยไม่มีเงินเลยก็อยู่ได้ปลูกข้าวหาผักหาปลากินอยู่ได้รุ่นยายหลวงพ่อนะจะเล่าให้ฟังอยู่แถวบางพรีเนี่ยบอกจะแกงเนะี่ยต้มน้ำไว้เลยใส่เครื่องแกงไว้เลย เราก็เดินไปที่หัวตะพานท่าน้ําหน้าบ้านหน้าบ้านแต่ก่อนเป็นน้ําเป็นคลองเราเสบียงไปเลือกช้อนเอาได้ปลามาทันที่จะแกงบอกแผ่นดินมันอุดมสมบูรณ์นะมันอยู่ได้เดี๋ยวนี้มันอยู่ไม่ได้ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้เอาหาแตงเงินเครียดเราเลือกไม่ได้ เราเกิดมาในยุคนี้กรรมจัดสรรให้เราเกิดมาในยุคนี้แล้วอยู่กับมันแบบฉลาดนะอย่าไปทุกข์กับมันมีปัญหาให้มันกระทบเฉพาะร่างกาย ใ, ใจเรารักษาไว้ให้ดีอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปมันจะเจ็บไข้ขึ้นมาก็พุโทโธไป เมื่อปีห้าเก้าหนูพ่อเป็นมะเร็งตับน้ำเหลืองนะให้เคีโมให้อเลยทางร่างกายลําบากพ็ให้เคีโมแล้วร่างกายอ่อนแอมากนะบางทีก็ป่วยตรงนัน้นตรงนี้แทรกแทรกเข้ามาเป็นไข้เป็นอะไรนะบางทีก็เป็นฝีขึ้นมาเป็นฝีที่ทะบันหนักขึ้นมาต้องไปผ่าต้องอะไรที่ไม่ใช่ให้เคมีโอเฉยๆวันไหนที่ไม่ถูก เข็มแทงไม่ถูกอะไรไม่มีนะเจอทุกวันแนละ้เจ็บน้นเจ็บนี่ตลอดบางทีก็เจ็บใจนะเราหลับแล้วพยาบาลก็มาปลุกรายงานตัวเปลี่ยนผักหู้มันรายงานทาไม <c oughs> วันแรกที่เข้าโรงพยาบาล น, นะยังหาห้องไม่ไดนะ้หมอเขาไปฝากไว้ห้อง iccu คนไข้แล้วโรคหัวใจก็ไนอนปลัวเหมืองเขาคนแ ก, แก่เต้มเลยในห้องนั้นนะคนแก่ น, น, นอนยากพอตกเย็ยนก็เริ่มสั่งยานอนหลับกันแต่ละคนเขากินยานอนหลับเลาเพาอไม่กินด้วยนอนไม่หลับเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่มีคุณยายเตียงอยู่ใกล้ๆกันนะคุณยายขอยานอนหลับเราได้ยินนะขอไป ขอร้อพยาบาลยังไม่ทันจให้นะตอนหัวขํามแกหลับไปแล้วสักสามทุ่มพยาบาลเข้ามาคุณยายคุณยายเตือนเตือ น, นมากินยานอนหลับคุณยายนะโอ้ยร้องเสียงโลงเลยฉันหลับแล้วนะปลุกให้มากินยาเพราะว่าสั่งเอาไว้เนี่ยอยู่โรงพยาบาลนะไม่ได้มีความสุขเลยนะมีแต่เรื่องลำบากะให้เคีโมด ชันข้าเพเจ้าชาญไม่ลงหรอกอะไรเลยก็ดูแย่หมดเลยคนมาถามนะว่าหลวงพ่อเบื่อไหมอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายเดือนเนะี่ยเบื่อไหมคิดถึงวัดไหมไม่เบื่อเบื่อมเป็นโทสะเราอยู่ตรงไหนแล้วก็มีความสุขเกี่ตรงนั้นนะแต่ร่างกายก็เจ็บป่วยไปแต่ใจมันมีความสุข นี่เป็นการเข้าห้องสอบนะเจ็บป่วยหนักๆนีนยคือการเข้าห้องสอบของเราเมื่อเราที่ฝึกมานะใช้ได้แค่ไหนถ้าประเภทไปอยู่โรงพยาบาลไม่มีใครมาเยี่ยมเราเศร้าหมองอะไรนะี่นะเสียใจอยากให้คนมาเยี่ยมคิดถึงบ้านนะคิดถึงแมวที่รักฝ่านนี้จะเป็นยังไงนะรอย่างนี้ ลำบากงั้นพยายามเรียนรู้นะทํากรรมฐานให้มากๆกรรมฐานง่ายๆเลยอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะแค่อ่านใจไม่ได้ต้องดัดแปลงใจให้ดีให้สุขให้สงบหรอกอ่านใจไปใจดีก็รู้ใจชั่วก็รู้ใจสุข ก, ก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ ตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆมันสะสมแต้มสะสมคะแนนที่จะก้าวแผงงหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานเห็นบ่อยๆ ย, ยิ่งดีนะโดยเพราะการเห็นทุกข์เห็นว่าทุกข์อยู่ในกายทุกข์อยู่ในใจมีอยู่ตลอดเวลาถ้ามีสติมีปัญญาตามเห็นความทุกข์ ในกายในใจได้เรื่อยๆมันจะไม่หลงโลกโลกนี้มันจะดีวิเศษแค่ไหนก็ช่างมันเถอะแต่กายนี้ทุกใจนี้ทุกโลกจะดียังไงก็ไม่มีความหมายหรอกใจมันจะไม่หลงโลกเพราะมันเห็นอะกายนี้ทุกใจนี้ทุกแล้วไปหลงโลกทำไมไปมีความสุขกับโลกเหรอมันก็มีแต่ความทุกข์อีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะอ่านใจตัวเองไป ใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจดีก็รู้ใจชั่วเนี่ยโลภโกรดหลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหูก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ตามรู้ตามเห็นไปตามรู้ตามเห็นเนืองๆแล้ววันหนึ่งจิตมันจะปิ๊งขึ้นมามันจะเกิดความรู้รวบยอดตัวปัญญาเนี่ยเป็นความรู้รวบยอด อย่างตอนในขั้นตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับนะกุศลนะกุศลเกิดแล้วดับะอะไรๆก็เกิดแล้วก็ดับสงบก็ดับฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆตอนที่ใจมันจะเข้าใจธรร ม, มะนมันจะรู้ในภาพรวมนะมันรวมยอดเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ มันไม่ใช่ว่าสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ตรงท e ี uldade, lim, ่เราเห็นว่าสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับไปสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับไปใจลึกๆเรายังหวังว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดแล้วไม่ดับอย่างเรามานั่งภาวนาเนี่ยเราคิดว่าสักวันหนึ่งนะเราจะมีความสุขที่ไม่ดับน่อยากได้ไหมความสุขที่ไม่ดับเพราะฉะนั네้นมันยังรู well, no ้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เที่ยงอยู่ ในในะั้นมันหลอกตัวเองว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เที่ยงอยู่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นสุขอยู่หลอกตัวเองอยู่แล้วก็ดิ้นรนเนีย่ยกระทั่งปฏิบัตินะก็ดินน้นรนคนในโลกมันก็ดินน้นรนหนีความทุกข์ไปหาความสุขคิดว่าความสุขมีอยู่ก็ดิ้นไปตลอดชีวิตนะหาไม่เจอหรอกนักปฏิบัติก็อยากมีความสุขอยากได้มรรคผลนิพพานก็ดิ้นรนไป การที่เราค่อยเห็นนะสุขทุกข์ดีชั่วสงบฟุ้งซ่านอะไรเกิดเนีแล้วทต้องล้วนแต่ดับทั้งสิ้ น, นถึงจุดหนึ่งนะจิตมันเกิดความรู้รอบยอดเป็นปัญญารอบยอดเลยวาทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นนั้นไม่มีอะไรที่เที่ยงนะทุกสิ่งที่เกิดนี่นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลา แล้บอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คำว่เ า, าเป็นทุกข์เนะีหมายถึงถูกบีบคั้นให้แตกสลายร่างกายเราถูกบีบคั้นให้แตกสลายหมนะโดนความร้อนโดนความเย็นอะไรเข้าเียก็แตกสลายจิตใจเราก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายนะจิตใจที่สุขเนี่ยก็ถูกบีบขั้นให้แตกสลายหายไปจิตสุข ก, ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย จิตใจที่ทุกข์ที่เราไปเกลียดมันนะนะจริงๆมันก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายตัวมันเองก็แตกสลายเราะนั้นสิ่งใดที่เกิดเราต้องดับสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากเหตุเนี่ยถ้าเหตุดับตัวมันต้องดับั้นสิ่งที่เกิดมาล้วนแต่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยถึงมีอยู่ก็กำลังถูกบีบคั้นให้แตกดับที่เรียกว่าเป็นทุกข์ สิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นจะตั้งอยู่หรือจะแตกดับไปเป็นเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเวลาที่เราภาวนาเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยถึงจุดที่อริยามรรคเกิดเนียบางทีมันเห็นปิ้งขึ้นมานะทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่เห็นอนิจจังควรจะเห็นทุกขังนะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ยั่งยืนเลยถูกปีกขันทั้งสิ้น กระทั่งจิตใจนี้บางคนก็เห็นอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยไม่มีอะไรที่เราสั่งได้อย่างแท้จริงเลยมันจะเห็นอ น, นิจจังหรือทุกขงังหรืออนัตตาหลวงพ่อใช้คาว่าหรือนะมันไม่ได้เห็นสามอย่างตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยเห็นนั้นเดียวแหละอันแดอันหนึ่งเราเลือกได้ไหมเราเลือกไม่ได้เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราตามรู้ตามดู ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดหรอกว่าตอนบรรลุ ม, มากผลมันจะเห็นด้วยอนิจจังหรือทุกขงังหรืออนัตตาจิตมันจะเลือกของมันเองมันเป็นเองไม่ใช่เราเลือกงั้นไม่ใช่จงใจนะอาอนัตตานี่แหละเนี่ยเพราะอนัตตานี่ต้องเป็นพวกปัญญามากงั้นก็คอยคิดถึงอนัตตาอันนี้ก็อนัตตานี้ก็อนัตตา ไม่บรรู้หรอกฟุ้งซ่านเฝ้ารู้สภาวะนะตามรู้สภาวะที่กำลังเกิดเฉพาะหน้าเราเนี่ยหมายถึงมีสภาวะอะไรเกิดในปัจจุบันอย่างถ้าเราดูจิตใจนะจิตใจของเราตอนนี้เป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงไงคอยตามรู้ตามดูไม่ยากอะไรทุกคนรู้ได้นะแต่ละเลยที่จะรู้ในใจเราสุขหรือใจเราทุกเรารู้ได้ ใจเรารบอบโกรธหลงอะไรเงี้ยเรารู้ได้นะใจเราโกรธรู้จักโกรธไหมทุกคนก็รู้จักนใจสงบรู้จักไหมใจฟุ้งซ่าน ร, รู้จักไหมเรารู้จักทั้งนั้นอ่ะก็แค่ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงคอยตามรู้ตามดูไปแล้วเห็นมันเปลี่ยนแปลงทั้งวันแค่นี้เองนะถึงจุดหนึ่งที่กําลังศีลสมาธิปัญญามันสมบูรณ์นะอริยมรรคจะเกิดเองตอนนี่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยบางคนก็ ปิ๊งขึ้นมานะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้นแต่ไม่เที่ยงบางคนก็ปิ้งขึ้นมานะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้นจะเป็นถูกถูกบีบคั้นบางคนก็ปิ้งขึ้นมาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งมันจะเห็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงงทีมันไม่ได้มาบรรยายว่าทุกอย่างทุกสิ่งอะไรเงี้ยบางคนเนยมันปิ้งขึ้นมาเลยนะตัวจิตนี้ไม่ใช่เรา เห็นตัวจิตตัวเดียวแหละไม่ใช่ว่าเห็นขันห้าทั้งหมดไม่ใช่เรานะ่แต่เห็นเข้ามาที่จิตตัวเดียวว่าจิตไม่ใช่เราอริยมรรคก็เกิดเลยได้เป็นพระโสดาบันเลยแค่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราตัวเดียวว่าอะไรจิตไม่ใช่เรานะขันห้าจะไม่ใช่เราเพราะขันห้าเป็นผลผลิตของจิตวิญญาณปัติยานามรูปปังนามรูปทั้งหลายก็เกิดจากจิตนี้แหละ เพราะันเราเห็นต้นต่อเห็นที่ตัวจิตตัวจิตมันไม่ใช่เราขันห้าก็ไม่เป็นเราโลกนี้ก็ไม่มีเราก็เป็นพระโสดาบันตรงนี้จิตมันเดินของมันเองว่าจะเห็นในมุมของอ น, นิจจังหรือทุกขงังหรืออนัตตาหรือนะไม่มีใครเห็นทีเดียวสามมุมหรอกมันเหมือนมีโต๊ะตัวหนึ่งมีสามเหลี่ยมหรือมีกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นสามเหลี่ยม เราหยิบขึ้นมามุมใดมุมหนึ่งนะก็ขึ้นมาทั้งหมดและก็รู้แจ้งทั้งหมดนะเห็นอนิจจังก็รู้แจ้งทุกขังอนัตตาเห็นทุกขังก็รู้แจ้งอนิจจังอนัตตาเห็นอนัตตาก็รู้แจ้งอนิจจังทุกขังรู้รู้กันหมดเนื่องกันหมดไม่ต้องหิวโหยไม่จะเอาอย่างนูง้นจะเอาอย่างนี้เอาปัจจุบันรู้ปัจจุบันไปไว่า ใจเราตอนนี้เป็นยังไงอ่านไปเรื่อยๆทาหน้าที่อ่านเท่านั้นอ่านไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็จะแจ้งในธรรมะขึ้นมาพอได้โสดาบันนะถึงยังต้องเกิดอยู่ในโลกเนี่ในทางจิตใจยังไม่ตกตำ่ำแต่ทางร่างกายอาจจะตกต่ำได้นะกรรมชั่วเก่าๆนี้ยังมีอยู่ก็ให้ผลมาอย่างบางคน จเจริญปัญญามากนะได้โสดาแต่ไม่เคยทำบุญทำทานอะไร น, นะก็จะจนหน่อยนะหรือพยายามจเจริญปัญญาแต่ไม่ยอมรักษาศีลหน้าตาน่าเกลียดเกิดมาน่าเกลียดนะแต่ก็จเจริญปัญญาไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายศีลสมาธิปัญญามันดีขึ้นได้มรรคผลขึ้นมานี่พอไปเกิดอีกยังเป็นมนุษย์อีกนะกรรมชั่วที่เคยทำมันยังตามมาให้ผล กรรมชั่วจะไ ม, ไม่ให้ผลกับพระริยาบุคคลในตอนที่เกิดแต่จะให้ผลตามหลังการเกิดนะเช่นเกิดอุบัติเหตุอยู่เรื่อยๆเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่เรืนะ่อยๆเนี่ยเป็นเศษกรรมของปานาติบาตนะก่อนที่จะปฏิบททัติธรรมจนบรรลุมรรคผลเคยทําปานาติบาตไว้เจ็บไข้ได้ป่วยอนะไรเงี้ย ครูบาอาจารย์บางองค์มชท่านภาวนาดีเมื่อปีสองสามเครื่องบินตกมรณภาพไปตั้งหลายองค์แต่แลวองค์ภาวนาดีๆทั้งนั้ น, นเรือบินจะตกท่านก็รู้ล่วงหน้านะท่านก็คุยกันหลวงปูป่บุญมาท่านก็คุยกับจันบันจันจวนจันสิงทองอะไรเงี้ยเครื่องบินลำนี้นิมินไม่ดีจะไปไหม อีกองหนึ่งหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วว่าองค์ไหนนะท่านก็บอกว่าเราเป็นนักปฏิบัตินะเราอย่าไปกลัวตายทําไมตายก็ตายไปนะท่านก็ตกลงขึ้นเครื่องบินไปแต่แ ว, ว่าไล่ลูกศิษย์กลับหมดเลยปฏิครูบาจารย์ไปไหนให้มีพระติดตามนะท่านไล่ลูกศิษย์กลับปัดไปหมดเลยนะแล้วขึ้นระเบินไปด้วยกันระเบียนก็ตกนะเป็นไปอย่างที่ท่านคาดหวังไม่ใช้คาดหวังคาดหมาย ว่ามันมนควรจะตกเนี่ยเศษกรรมกรรมที่ถ้าต้องใช้เหมือนพระโมคคลาเคยตีพ่อตีแม่แล้วก็ถูกฆาตกรรมมานับพบนับชาติไม่ท้วนเลยมันรู้พระรหัส น, นะเนี่ยตอนจะนิพพานนะกรรมที่เคยตีพ่อตีแม่ตามมาถูกเขาทุบจนกระดูกละเอียดเลย ถูกทบแล้วท่านยังไม่ตายนะพอเข้าไปแล้วท่านใช้พลังจิตรวมธาตุขึ้นมาปรุงธาตุขึ้นมาใหม่ไปฟ้าพระพุทธเจ้าไปทูลลากลับมานอนตายให้เขาเห็นงั้นถ้าทำอะไรไม่ได้ก็รักษาศีลให้ดีไว้นะจะได้ไม่ตกต่ำทาทานถือศีลฝึกจิตฝึกใจทุกวันทุกวันฝึกจิตฝึกใจไม่ยากอะไรนะ อ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆถ้ามันฟุ้งซ่านมากก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทธไปมันไม่ฟุ้งซ่านมากก็ดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันเดี๋ยววันหนึ่งก็ถึงมรรคผลนี่ละไปกินข้าวนะสัตว์โลกผู้น่าสงสารตามบ้องแบวไปบายนะ <laughs> <laughs> นี่หมดแล้วรับ